พุทธะาานะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังเท ม, มังสังคังนามาจามิอิโตปารังสักจังธัมโมโสตโพธิต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังได้ประตั้งยิงนดีความสงบ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 และ ง, งานท่านจะให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำําสอนผู้ประทานเท่าที่ควรดังนั้นและก็นอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมพบเป็นพิเศษมั่งก็มีอันใดก็ตามเป็นต้นความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดโยนร่วมร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อน อันหนึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันห น, หนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นมันขย้ายตามส่วนบุคคลขย้ายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขย้ายออกไปเรื่อยเป็นต้นต้องช่วยกันตาผู้ที่จะหมักเป็นผู้ อาสาใน ห, หมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมลิหารหรือเป็นบิหารธรรมมีเมตตามีการุณยมีมุทิตามีเบคาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะ คือให้มีความเมตตากรารุณาปราณีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องๆเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของอชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นนิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่น ถึงแม้ว่าจะไปอยู่คน บ, บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนเมล็ดข้าวมเมล็ดนิดซึ่งมันเกิดนในรวงอันหนึง่งในต้นอันหนึง่งในกออันหนึง่งของข้าวนั่นเองนี่มันมากขึ้นมากขึนก็กระจายกันออกไปมเมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายมเมล็ด มันก็ต่างกันไปแปลกันไปว่าเป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแพ่พืชออกจากในกออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก่อนมันตันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็่างไป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 เป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปัะจบีนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเราลูกหลานของเราด้วยกันเช่นนั้นแต่เมื่อกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่นลบกันเตกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเอง ความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนพอเดียวกันไม่ใช่อื่นืดเป็นต้นทีนี้มืนอมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจสิดเป็นเหตุมันก็เกิดรบราท่าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกันเะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกคนนี่ฉะนั้น โดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเสธชาติก็อยากให้จะประเทศชาติรื้นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมืองไทยเช่นในหลวงประชินมีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวก <S <S <S คุณระบุคุณติลาทั้งหลายรู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็ น, นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉต่นั้นจริงต่าง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 เป็นตอายุสูงว่านี้ที่แล้นาะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นให้ทาความเห็นอย่างนี้ทุกคนแลยพยายามการช่วยความกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สวามเตชการเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยาะเจ้าะจจง อย่างมึงมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างนี้มึงก็รักตัวของเรารักรูปของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นยัไงไรก็ช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักเหมือนกันรักเป็นตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดแค่นี้มันแคบก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่เป็นเมตตาในสมวิหาร พระพุทธเจ้าต้ตองการอยากให้เป็นเมตตาอปปัญญาอปปัญญาโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนๆกันคนที่ห่างแล้วคนที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนๆกันดังนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุกเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าความสงบโดยทัดถึง เป็นอปามัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตจักระดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาว่านพอมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงเม้จะเป็นอะไรก็ตามทีเถอะที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นแน่งมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกนินเรากินคนเดียวเอาถึงยูด้วยเลยแล้ว ก, ก็มาแบ่งนะ ตืองมาแบ่งออกมาค้นเราทั้งนั้นนี่มี่ถูกคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่มมษษษษ เ, เหมือนกับสัตว์ก็เอาผิดเห็นมัยนต์เข้าตัวนักกินสิยนต์ต้อนตัวโตให้ตัวหนึงสี่ตัวนึ่งจะให้มันสีเลี้ยงก็ววิ่งมากัดกันทั น, นั้นแหลกแย่เพราะอะไรละ่ะเพราะมันไม่กินข้าวมั น, ไ ด, น, น, นได้ส่วนแบ่งะนะนี่นะถ้าให้ส่วนแบ่งไอ้ตัวนั่นต้อนหนึงตัวนี้ต้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะเลาะกันทัน เนี่ยไอคนเรากสมัคกันสัญชาติยานมันสมักันจถึงเนี่ยไอคนหนึงกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นโจรไอคนที่มันโจรมันก็ไม่กินนไม่รับส่วนแบ่งมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาก็นึกอยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้มื่ความอยากจกขึ้นมาเดี๋ยมันจมาแย่งกันนั่นเลยเป็นขี้ขโมยจรนงนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น ไ อ, อ, อคนเราเราก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อือันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราจเจริญเข้าไปไในตูมไหนให้เขายกมือไหวน้นั่นไอผู้ไปที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็เยือเย็นเป็นสุขถึงแม้ไม่มียาไม่มีอาหารให้พู้แตนักวิญญาใหณเป็นไงคะ คนตาเป็นไงสบายเลยออย่างเนี้ยมันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยไอ้ความดีใจไอ้พูดที่อมีคุณธรรมมันก็สบายใจอืออย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพล่มใจยังไม่ได้วางยางไม่ให้อะไรเลยพูดเท่านั้นเนี่ยเขาจ้วยความเข้ า, าใจนั่ น, นได้ยินเสียงทายเลาะเส้นอสูดใจมันก็สบาย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 อบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซึ่งกันและัน ใ, นนให้รจักแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆคก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะเดินไปเท่นั้นไอ้ที่บ้านเมืองแล้วมันจะเดินตัวันนมีเพราะอะไระเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาในหัถวถืออาจารมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึง่ง แล้วก็มีเด็กที่ทางบ้านมันดืเนี่ยมันไปปล้นผีนั้นเนี่ยมันมาปล้นผีนานๆมันก็มาทาให้บ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนั่นเอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนดูหลากนก็เอ้ยสู้พวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นอนะ่ะถ้าสูจะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปเพิ่โน้ตบ้านอื่นหนุ่มไกลๆบ้านเรานุ่มไปอำเภอเดชอุรุมหน่มไปทีบูนหนุ่มอย่ามาปล้นอำเภอบรินทร์เราเลย มีคนแกสอนลูกหลานไอไปพ้อพปนอำเภอพีอ่บูลไอปพ้นอำเภอเดชินเลยอพยพอดินยังมาพ่นเลยมันบ้านเราอืไอ้คนแกนี่ก็สำคัญเยอะเกินนะตัวนึกว่าคนแกมันมีปัญญานะไออไปพ่นบ้านอืน่นบ้านเรายังมาค่นเลยนี่ไอ้คนแกไปเห็นแกตัวเต็มทีเลยนะถ้าว่าเราพันอยู่อำเภอพิบูลนะเด็กๆข้างบ้านน่ยมันรู้อแล้วจะบอกคนว่า ไปโป้นอำเภอบริเวณมันดีกว่า่อย่ามาโป้นอำเภอเราเลยเราจะเป็นยังไงกันเนี่ยมันจะมีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเด็กอุดมน่ะมันทําความพืบ่บวายให้ชาวบ้านแล้วเขาจะพูดเขาว่าเฮ้ย น, น, น, นุ่นๆทั้งหลายเนี่ยอย่ามาพุ่นวาในบ้านกันเลยนุนไปอำเภอบริเวณมันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอย่ามาทําเลยถ้าทำที น, น, นี่มันจะมีไหม ที่คนแก่นั้นนึกว่ามีปัญญาความเมป็นจริงมีปัญญาอมีปัญญาธรรมเขาก็มีปัญญาป้องกันเจรปัญญาธรรมปัญญาที่มันใช่ไม่ได้ยังเรือไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียวกว่าเมตตาก็เมตตาเจริญทั้งหลายแบบนี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นการฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนพวกเราถ้านก็หมดภานะแล้วนะ พวกเราเนี่ยสิน้องาสาวเนี่ยจะ ท, ทำยังไง uh huh. เราจะเป็นคนที่ปกครองว่านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองเอราเราทุกขัวหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทำไม่ดีจะเป็นยังไงไอ้ความไม่ดีมันจะไปไห น, นมันตกตับมาอยู่กับเรานั้วเนล่เราไม่รู้จักภาษา เราไม่มีปัญญาเป็นต้นแต่ความโง่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจา้าจะมีเมตตาทุกทุกคนตัววันนี้อยู่ในความเมตตาไอ้ความมันที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีในใจของคนคนเราถ้าไม่มีธรรมะก็เหมือนกันสกัด สัตว์มไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนหนึ่งให้โยนยตัวนั้นกินตัวนี้ไม่กินเห็นว่าวิ่งไปเลยกระโดดจัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าวไปกินกเกล่าๆนะไอ้ตัวนั้นก็ลองเงงแงงแ ง, งไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันตัดแฉ น, นั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันมันก็อยู่อย่างสัตว์กันเอง ถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามาก็เกิดเสื่ร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากนะเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากอเาืเรามีใครเรามีเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกันอนี่นี่เพราะอะไรเพราะเามีธรรมะแต่คนพูดสิ่งไรกันธรรมะมันกินได้เดีนะ่ยบน่ะ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 ถ้าเราไม่ไกินธรรมะกันเด็กกระวุนเสแล้วนะถ้าเราโยกแหวนกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่ละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขพราะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทํางานตามหน้าที่ของเรา <c oughs> พ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่ <c oughs> อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทําตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทําตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้อง นักเรียนก็ทําตามนาทีของนักเรียนมันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นอืมเป็นผู้อาสาหมอ่ว่านและมีข้อกกตะเบียบเป็นอย่างไรอมอันนั้นก็ให้ค่อยๆํานินถึงว่าเราต้องทํางานตามนาทีของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทําอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้อืมท่านในพูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทำเป็นตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของเราแต่นั้นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก็ออิจฉากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล็กก็ไปสอนเด็กๆ ก, กันในความสามัคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกัน ไ, ได้สอนเด็กจะมาขยานแต่ตัวเรามาเกียดที่เกลียดเกียดขานเด็กมันจะอะไรไหม น, นี่เรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนก็ต้องสอนตนให้มันเป็นครูคน เป็นครูคนจิตใจให้มันสูงกว่านักเรียนตักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละแล้วเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆทีลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วเขาจึงมีอํานาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทมีความรู้สึกนึกคิด เนื้อมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจําใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจรารณาที่อาสามอบ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี่สารพัดบ้านเี่นรจะต้องไปไต่ตันก็อยา่าทำไปถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมุติของเขาไม่รู้วันยัดของเขา เราก็ไปถือตัวในที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวในที่นั้นจะไม่เป็จากภาษากันต่อการดั่งบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโูดิทัศน์โตก่อนท่านเป็นพระธรรมถานไปปฏิบัติโน่นภูเขาทางตะเลียงนั้นออกโซ้ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมาท่นมาถามท่านว่าเออมื่มาได้ไงเออคมาถิโนน มึงกินเขาแล้ววะเออปูกินแล้วละ<ม>เขาดีกว่ามึงมึงกูกูมันดีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกูกูสิสิเขาถามามึงมาจะใสเลยมึงอยากจะพูดแล้วคอแข็งท่านอาจารย์มัน่นท่านเขาถามมึงมาจะใสเออกูมาสีนมมึงกินเขาแล้ววะกูกินแล้วโดยสบายใจเลยนะนี่เรื่องท่านรู้จากคน เราม่รู้จากตนภระสาเขาถือว่ามึงมึงปูปูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคการพูดอันนั้นก็โตรธในเขา เ, เ, า เ, เาสียดในเขาเสียประโยชน์เปล่าดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาโมู่บ้านก็เดียวว่าโมู่บ้านนั้นในอาศัยเราทางความรู้สึกนกคิดอะไรทุกประการ น, นั้นเป็นต้นนั่นขอฟ้องตุนระบุลูกหลานทั้งหลายขึ่งถูกให้เป็นเจ้าหน้าที่ เอ่อง น, นี้เป็นต้นตำทางการขอจงระกันประพฤติปฏิบัติ้วยนาใสใจจริงปรอบปิดใจผู้ใหญ่ได้บดกๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียจะและ้วเสียไปสักครึ่งนึ่งเสียไปจนปวดที่ว่าเราจริงความการรู้สึกเป็นบางแห่งจะแล้ว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรนี่คือศีลธรรมนั้น มัน ค, ค่อยเสื่อมไปจากคนุษย์ทางหลายแล้วก็คอยรู้กันยิ่มสนุกสนานกันเรื่อยๆอย่างต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีทุกทีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้วเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆเกิดขึ้นมาโบยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ใคร่ทานคนนี้เป็นยังไงคนโน้นอยู่วุ่นวายยังดีเฉพาะเฉพาบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันจิตอันนั้นมันไม่ดีก็ไม่ทำด้วยทำก็ทํำด้วยเล็กน้อยอะไรท่างหลายรเนี้ย เป็นตนไม่เห้มากแต่เขานัน่เพราะว่ามเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม้่ายัางนม น, ม, นมก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้ไงไอ้คนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนมนมสาสาวใครโสดา่าแกซะก่อนที่จะเข้าวัดกัน เดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้แล้วเยมันแกซ ะ, ะก่อนแต่ที่ไหนคนแก่ทั้งนั้นแหะไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไห ม, มเดินแข่งกับเราท่านแล้วไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุแต่ไม่ดีโอก็ไม่ได้ยืมตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยเมื่อเราเป็นหนุ่มๆก็แกซ ะ, ะก่อนเถอะนึกว่าแกมันจะมีกําลังมากมากนั่นแหละ นี่เราจะไปคิดแค่นั้นทนี่ไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีพีจิตอยู่เราก็มีคิดทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทำมันสุ่นนะอนดีตอนี้มีความดีแล้วพยายามสานั้นไม่ใช่จะไปทำอะไรไอ้คนตรงนี้มันทําได้เลยแเราไปทิ้งไอ้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนคนแก่พวกบ้านเราเป็นยังไงือลูกต้นทีโอ้ยนั่งต้นทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไง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 แต่เรายังไงก็ เ, เห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไปโตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจเราบัดินี่เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะกว่พฤุดปฏิบัติดีไอตอนที่สุดท้ายมานานๆไปคุณงามความดีได้สร้างคุณคนงามความดีไว้ไในเฉพาะตั้งแต่วันนี้สมนมีไปภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้อนกําง้นมันก็ดี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 เป็นกระูปสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำเริ่ดประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีนี่นมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือเออนาะไอความดีนั่นเน่ยแม้ว่าเราตายไปไอความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกแต่เห็นไหมนี่เป็นต้นไอนความดีนี่มันยังอยู่ไอความดีนี่มันไม่ตาย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 เปร่มโพร่มไทรให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายแต่แล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สวมด็จประตามาสัมภิตรเจ้าของเราเนี่ยท่านนี้พ่านตอนนี้ความดีของท่านก็ ย, ยังอยู่นี่ในความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอความดีมันเป็อย่างนีายกับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดได้แต่ความอิ่มยังเหลืออยู่ะ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 ตามที่ความต้องการของทางราชกามให้เราเป็นผู้อ า, อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สมความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้เมื่ อ, อท่านทางได้ได้โอกาสว่ารับฟังธรรมะก็จะเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศอาบุญวันนี้ ฟังเทศในเกิดฟังรู้สึกรู้สึกให้มันรู้จักบาปให้มันรู้จักบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักโทกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศพุบเลยประดุกประมุ่มือว่ายกเลยท้าประเทศไปคุยไปเรด้วยไม่ดูเรื่องท้าเทศจะเป็นเรื่อง ันที่สุดพระโยมฤาษีตาถูนั่นอย่งกว่าฟังเทศอาวุนไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอาวุนอย่างนั้นวันนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญ า, าเมื่อสะใจเอาไปทีจิจนาประพฤติปฏิบัติมันจิงการเป็นงานขึ้นไปที่อภัยยายานี้ให้เป็นโอปะไรยกรธระทำพอเจอทังนายนิยน้อมก็ไปทีนิจจิจนาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกตคน ด้วยอำนาจอย่งคุณพระพิรัศนาใจจงปกปกักรักษาคุ้มฟองฟอกท่านสังลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมคำสอนในวัดสงฆ์ปพงวันนี้จงให้มีความสุขตายสบายใจตลอดกาลนานเื่อ